คือปฏิสนธิจุติปแปลว่าเคลื่อนปฏิสนธิปแปลว่าสืบต่อเฉพาะในพระคันของพระนางเจ้ามายาเทวีในราชสกุลักยะเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระโพธิสัตว์จุติจากเทพชั้นดุสิตแล้วสเสด็จลงในพระคันในการใดในการนั้นหมื่นโลกธาตุก็วันไวปตัตพีก็วันไวนนะแผ่นดินเนี่ยวันไว คำว่าอกกมิแปลว่าก้าลงเนยเนะกุชยังแปลว่าในพระคันของพระพุทธมารดาท่าสะสะหศีโลกธาตุกัมปิทัตพระโพธิสัตว์นี้ทรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาทรงถือปฏิสนธิโดยน ก, กษัตว์เริกเดือนอาสาลหะหลังในดิถีเพนอาสาลหะพระพุทธเจ้าปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาวันเพนเดือน8วันเพนเดือน8ดนั่นแหละ ปฏิส่วนทีด้วยจิตประเภทไหนมหาวิบากจิตดวงที่หนึ่งนะมหาวิบากดวงที่หนึ่งที่เหมือนกับแก่แบบมาจากมหากุุสทุกอย่างตอนที่เป็นมหากุสเนี่ยตอนที่ทำคำทำกรรมด้วยมหากุุสดวงที่หนึ่งมหาวิบากก็แก่แบบฟอร์มมาจากมหากุุสดวงที่หนึ่งคือเป็นเหมือนกับมหากุุสดวงที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะโสมนัสาส า, ะาสะกตังสหรคตด้วยโสมนัสความปราบปลื้มใจดีใจ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 ความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยการเกิดของพระองค์เนี่ยเกิดเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บรรลุประโยชน์บนรรลุความสุขหาประมาณไม่ได้หลังจากการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็ถือปฏิสซนที่หนึ่งในจํานวน1ิ7 9ดวงคือมหาวิบากดวงที่1ประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์เนี่ยมหาวิบากชั้น1ขนาดนั้นเนี่ย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 อย่างเช่นเขาบอกว่าบางประเทศเนี่ยผู้นํากอบโกยแค่นั้นหลยนะคูรีดประชาชนเดือดร้อนหมดเลยเดือดร้อนหมดเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนขนาดว่าหาน้ําจะดื่มไม่ได้เพราะน้ํามันแพงมากเพ ง, งั้นบางประเทศตอนนี้เมือม่อเมือ่อสักไ ม, ไม่ไม่กี่ปีมาเนี่ยแบบแค่น้ําดื่มเนี่ยนะยังยังหาดื่มไม่ได้มีหญิงคนหนึ่งเขา อ, อุ้มลูกไปขอน้ําดื่มระหว่างที่ไปเที่ยวขอน้ําดื่มไม่มีใครให้น้ําดื่มเลยจนตาย ขอหาน้ําดื่มจนตายแล้วไม่ได้ดื่มเสร็จแล้วก็นอนตายลูกก็ยังมาคอยดื่มน้ํานมจากยังดื่มน้ํานมจากแม่ได้ใช่ไหมแต่แม่หาน้ําดื่มไม่ได้เขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แม่อ่าให้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาน้ําไปเส้น น, นะที่ชานเมืองประเทศอาร์เจนติน่นานะเขามีอยู่ตอนนี้ก็มีเพราะว่าบางยุคเนี่ยผู้นําที่ที่ต้องการอะไรต้องการกอบโกยมากเต็มที่ก็เลยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันเต็มที่เพราะฉะนั้นใครที่สมมุติว่าฉลาดด้วย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 สองขณะที่ดำรงรดรงอยู่ในพระคันเนี่ยนะก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากคันผารับปุตุชนทั้งหลายก่อนจะมาเกิดก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างคนทั่วๆไปรู้ไหมว่าตัวจะตาย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 แต่ว่าอยู่ในคันก็ไม่รู้ตัวตอนคลอดออกมาแล้วก็ไม่รู้ตัวนี่พระอาหารหันต์ทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้โซหรือพระมหาอสีติสาวกทั่วไปแต่ถ้าเป็นพระมห า, าอัครสาวกหรือพระประเจกับพระพุทธเจ้าตอนจะไปเกิดท่านรู้ตัวอยู่ในคันรู้ตัวแต่ตอนคลอดไม่รู้แต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งการปฏิสนธิในคันอยู่ในคันแล้วก็คลอดจากครันมีสติสัมปชัญญะทั้งสติ โดยเฉพาะสาทกะสัมปัญญาท่านรู้ตัวเนี่ยนะท่านมีสา ธ, ธากะสัมปัญญะรู้ค่าแ่าวรู้หน้าที่รู้ภารกิจของตัวเองเนี่ยว่าไปไปทำไมย้อนกลับมาตอนที่พระองค์ประสูติจากพระคันเนี่ยนะก็ไม่มีสัมภวะน้ําอะไรมาแปดเปื้อนเลยก็สะอาดบริสุทธิ์สาธุการังประวัติเตนติได้แก่เทวดาทั้งหลายก็สาธุการเป็นไปบดว่าอักรรมปิตะ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 ก้าวลงสู่คันและการคลอดออกจากคันต่อไปไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้สำโพธิยานไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้โดยสั์นี้โพธิเนี่ยนะโพธิเนี่ยมีหลายความหมายโพธิตรงนี้ยกตัวอย่างมาสี่ความหมายให้ดูคือต้นไม้อริยมรคนิพพานและสัพพัญยุตยานบอกว่าเป็นต้นก็แสดงว่าโพธิศัพ ส, สามารถแปลได้หลายอย่าง จริงอยู่ต้นไม้เขาก็เรียกว่าโพธินะเช่นโพธิโพธิรุกขมูเลปธรมาพิสัมพุโทโธแปลว่าตรัตพระองค์เนี่ยตรัสเป็นพระพุทธตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกนโะคนต้นโพอนะอันนีน้ก็คืโพธิรุกขมูเลโพธิตัวนั้นเนี่ยหมายถึงต้นไม้นะไม่ได้หมายถึงต ร, ตรัสรู้หรืออย่างที่พระองค์พบกับอุปกชีวกต์อนไหนอันตาระจะขยังอันตาระจะโพทิง พระองค์เนี่ยพบพบกับอุปการชีวกระหว่างแม่น้ําขยากับต้นโพเพราะะฉนั้นต้นโพตัวนั้นแปลว่าต้นไม้เนี่ยนะต้นแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้บางทีต้นโพอ่าโพที่แปลว่าอริยมรรคก็ได้เช่นว่าโพที่วุจจติจตุสุมัเคเฆสุยานังญานในมรรคสี่เรียกว่าโพทิโพทิหมายถึงยานในอริยมรรค อริยมรรคขยานนั่นแหละเป็นโพธิเนี่ยเช่นอ่ะโพธชงไงไหมโพชงเนี่ยก็มาจากว่าโพธินั่นแหละโพชงเค่ว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งโพธิโพธิโพธชงตัวนั้นเนี่ยเน้นพิเศษในขณะอริยมรรคสี่ก็คือในโพชงในขณะโสดาปฏิมัสกธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะนั้ริยมรรทั้งหลายก็เรียกว่าโพธิอย่างที่3นิพพานก็เรียกว่าโพธิเหมือนกันเช่นในพุทธพจนิวะ ประวัตป ต, ตวานะโพธิอมตังอสังคตังบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมะตะพระนิพพานเนี่ยเป็นอมตะพระนิพพานนั้นเป็นอสังคตะมันโพธิแปลว่านิพพานตรัสรู้พระนิพพานที่เป็นอมะตะเป็นอสังคตะบางแห่งก็โพธินี่หมายถึงพระสัพพัญญุตยานเช่นปปโปติโพธิงวระ วรภูริเมทโซพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาประเสริฐกว้างขวางเหมือนแผ่นดินเสมอเหมือนกับแผ่นดินทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานแต่ในที่นี้เนี่ยนะเพราะที่คําที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้หมายถึงอะไรหมายประสงค์เอาอารหัตตมัคคยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอรหัตตมัคคยานของพระองค์เลย บางท่านก็บอกว่าสัพพัญญุตยานที่บอกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในพระสัพพัญญุตยานที่จริงก็คือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในอรหัตตมัคคยานที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตยาน ไี้มีผู้ตั้งความสงสัยขึ้นมาว่าถามว่าพราะเฮไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยสัมโพธิญาณสรรเสริญพระองค์เองทําไมไม่เอาคุณธรรมเรื่องอื่นมาสรนเสริญทําไมชื่นชมอรหัตตมัคคยานที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานเนี่ยมาสรรเสริญว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในอรหัตตมัคคยานเพราะจริงๆริอรหัตตมัคคยานของพระสุขาวิปัสสกพระผู้เป็นวิชาสามอภิญญา6ปฏิสัมพิทา4ี่ตั้งหลาย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 ให้เพียงอรหั ต, ตผลเท่านั้นท่านเป็นพวกปัญญาวิมุตต์ได้เฉพาะอารหั ต, ตผลจริงๆ น, นะท่าน อ, อย่างที่พระสูตรสูตรหนึ่งสุสีมะสุสีม ะ, มะปริภาชกเข้ามาบวชเป็นพระพิสุสุสีมะเนี่ยนะพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาองค์นั้นบรรลุเป็นผ้าอรหันต์แล้วองค์นั้นบรรลุเป็นผ้าอรหันต์แล้วท่านก็เลยเข้าไปอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นผ้าอรหรันต์เป็นยังไงเออท่านเป็นผ้าอรหันต์ท่านเลึกชาติได้ไหมไม่ได้ ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่เห็นท่านแสดงฤทธิ์ได้ไหมแสดงฤทธิ์ไม่ได้ท่านรู้วาระ จ, จิตของผู้อื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่อ้าวแล้วท่านบอกว่าถ้าแล้วท่านบอกว่าท่านบรรลุแล้วอะก็ข้าพเจ้าเป็นปัญญาวิมุตต์นะ่ะไม่เข้าใจเออท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เป็นปัญญาวิมุตต์เสร็จแล้วก็ถามเที่ยวถามผ้าที่เขาบอกว่าเป็นผ้ารหันนี้เยอะแยะไปหมดก็ได้ความว่าปัญญาวิมุตต์หมดเลยท่านก็เลยสงสัยไปถามพระพุทธเจ้า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 ปลเอาคําสอนได้ไปประกาศลัทธิของตัวเองตอนหลังก็เลยขอโทษพระพุทธเจ้าว่าที่แยกเข้ามาบวชเนี่ยเจตนารม์ไม่ดีแต่ว่าอาศัยเข้ามาอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยนะเกิดมาในยุคสมัยที่ดีก็เลยเรียกว่าเข้ามาจะมาทําลายกลายเป็นว่าได้ดีไปเลยก็มีในนะสมัยนั้นนะก็สมัยนี้แล้วเข้ามาก็เรียบร้อยเนี่ยนะจะเลือกทําลายส่วนไหนล่ะว่าไง พูดถึงว่าอารหัตตะมักของบางท่านเนี่ยให้เพียงอรหัตผลที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์เท่านั้นเองบางท่านได้แค่ปฐมฌานจริงๆนะได้ปฐมฌานบางท่านก็ระดับทุติยะฌาน ต, าตาัติยะฌานจตุตระฌานบางท่านให้วิ ช, ชาสามพาหานบางท่านมีวิ ช, ชาสามคือมีปุเพนิวาสานุสติญาณมีจตูปปาตญาณและมีอสวรค์ขยายานบางท่านมีอภินญาหกแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพมีหูทิพระลึกชาติได้ เป็นต้นเนบางท่านได้ปฏิสัมพิทาสีอย่างแตกฉานเนีแล้วก็บางท่านก็ได้สาวกบารมียานเช่นภาษาริบุตรพระโมคขลานะถึงสาวกบารมีเรียกว่าสุดยอดของพระสาวกทั้งหลายบางท่านก็ให้ปัจเจกโพธิยานเท่านั้นแก่พระปัจเจกพรพุทธเจ้าทั้งหลายแต่อรหัตมรคยานของพระพุทธเจ้านั้นให้คุณสมบัติทุกอย่างแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญพระองค์เองว่า พระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิญาณเพราะว่าอารหัตตมัคคยานคือสัมโพธิญาณของพระองค์นี้ให้พระพุทธคุณครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยนะเช่นอรหันสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมสารติเนี่ยสรว่าพุทธคุณทุกอย่างเนี่ยมาจากอารหัตตมัคคยานของพระองค์พระองค์จึงชื่นชมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้ เพราะว่าหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์เพียงพระองค์เดียวนั้นน่ะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามหาประมาณไม่ได้อันหนึ่งพระองค์นีทรงทําพื้นปัตตพีให้วันวายแล้วก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในสัมโพธิญาณ3ข้อแล้ใช่ไหมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนสี่ข้ อ, อข้อแรกลงสู่ขันข้อ2 อ, ออกจากคันข้อ3การตรัสรู้สุด ข้อที่4ี่คือการประกาศพระธรรมจักคําว่ า, e านะธรรมจักไม่มีสองอย่างเนี่ยนะธรรมจักในที่นี้หมายถึงปัญญานะเน้นที่ตัวปัญญาธรรมจักตัวนั้นมี2อย่างคือปฏิเวทยานกับเทศนายานธรรมจักกับปวตนะปวัตตนะเนี่ยนะหมายถึงตัวปัญญานะปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าโดยทั่วๆไปจะนึกถึงว่าธรรมจักคืออะไรคือพระสูตรสูตรหนึ่งแต่ตรงนี้คําว่าธรรมจักในหมายถึงปัญญา มี2ประเภทคือ 1. ปฏิเวทยานสองเทสนายานคือปัญญาสองอย่าง2 อ, อย่างนั้นอันดับแรกก่อนว่าทำมาจากอันพระปัญญาอ บ, บรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลแด่พระองค์ชื่อว่าปฏิเวทยานอย่างที่สองทำมาจากอันพระกรุณาอ บ, บรมแล้วนํามาซึ่งอริยผลแก่สาวกทั้งหลายชื่อว่าเทสนายาน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 นำมาซึ่งอรหัตผลสำหรับพระองค์เองอันนั้นเป็นปฏิเวทญาณก็เรียกว่าเป็นธรรมจักรเหมือนกันอรหัตมรรคเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อรหัตผลอรหัตมรรคปัญญานั้นเรียกว่าปฏิเวทญาณเป็นธรรมจักรประเภทปฏิเวทญาณส่วนเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วกรุณาการุณาเนี่ยอ บ, บรมหรือการเจริญกรุณาเนี่ยมาก เพราะการุณาเป็นปัจจัยทาให้พระองค์แสดงทําให้สาวกทั้งหลายบรรลุอริยผลนั้นอริยผลของสาวกทั้งหลายเกิดจากเทสนายานเทสนายานนำมาซึ่งอริยผลของสาวกทั้งหลายปฏิเวทยานคืออรหัตตมรักเนี่ยนะเป็นโล ก, กุตรกุสลอรหัตตมรักนี่เป็นโล ก, กุตรกุสลอรหัตตมรักของบางท่านระดับโสดาระดับปฐมฌานนะก็เรียกว่าปฐมฌานอรหัตตมรัก บางท่านทุติยชานอรหัตตมัคบางท่านตาติยชานอรหัตตมัคอย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นจตุทชานอรหัตตมัคจตุทชานอรหัตตมัคของพระองค์นั้นเป็นอุเบขาไม่มีวิตกประกอบไม่มีวิจารณ์ประกอบได้วยเจงถ้าให้เต็มก็บอกไม่มีติปิติประกอบไม่มีสุขประกอบด้วยเพราะว่าประตรัสรู้อรหัตตมัคขยานด้วยอรหัตตมัคขยานระดับจตุทชานเรียกว่าจตุทชานอรหัตตมัค นะส่วนเทสนายาันเนี่ยนะเทสนาคาพูดที่แสดงธรรมเนี่ยเกิดจากมหากิริยามหากิริยาญาณนะสัมปยุทธ์เนี่ยนะบางสูตรก็เป็นอสังขาริกบางสูตรก็เป็น ส, สังขาริกในขณะที่พระองค์แสดงธรรมแต่ว่าการุณาเป็นปัจจัยพันคำว่าธรรมจักนี้เป็นเป็นอะไรเป็นญาณที่ญาณที่ตรัสรู้อริยสัจกับญาณที่แสดงอริยสัจ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 พระองค์ตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นแล้วก็เอาอาริยสัจมาบอกแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ตื้นแก่พระสาวกทั้งหลายอันนั้นเพราะการุณาพันกรุณาเป็นปัจจัยแก่เทศนายานันพันธรรมจักเป็นชื่อของปฏิเวทญาญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศนายานเอาออกมาแสดงผลแห่งการแสดงธรรมจักของพระองค์เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นต้นเราก็จะรู้จักรธรรมจักในฐานะพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสรู้ และก็แสดงครั้งแรกแก่พระพิสุปัญจวัคขีโดยมากก็จะรู้ในฐานะพระสูตรแต่จริงๆคำว่าธรรมจักธรรมจักกับปวัตนะนี่หมายถึงปัญญาในปฏิเวทยานกับปัญญาที่เป็นเทศนายานของเราก็รู้รู้จักในฐานะผลผ ล, ผลิตของเทศนายานของพระองค์